بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَلِكُم ب ِ أ َ ن َ ه ُ إِذَا دُعَيَ ا ل ل َّ ه و َ ح ْ د َ ه ك َ ف َ ر ت م ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا د ُ ع ي َ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِيُّشُرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ي ي آ و ا ل ذ ه يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ <ت ص في ق> تذكر إلا م ن يُنيب. فدعو <تصفيق> الله مخلصين على هدي. ولم كره الكافرون رفيع ا د د ر ج ع ا ت زول ع ر ش ي نقرح من أمر ألا من يشاء من عباده ل ي ن ذ ر ي و م ا ل ق ي ا م يوم, يوم, يوم همباريز لا يخفى على الله منهم من شيء <تصفيق> لمن الملك اليوم, <تصفيق> لمن الملك اليوم <تصفيق> لله الواحد القهار, لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لازم اليوم ل ا م اليوم إن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعده من الكسل وسوء الكبر رب أعذبك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم اللعب والشهادة رب كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر ش ي ط ا ن وشرك وأن أ ق ت ر ف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ا ل م ل ك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.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 ย ا ح ي ياقيوم برحمتك أستغفرو أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نصرة ع ا ن ٍ ح م تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقبل التوبة ليدل العقاب ا ل ط ا, إ و ل لا إله إلا هو إله المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาน้องที่ร่วมลมาดุที่มัสยิดอันวาริซุนาที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับอธิบายอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะรับผ่านอะไร Facebook อนนี้ a c e b o o k จะบมแล้วใช่จะมีมิตาอะไรเข้ามาแทนนะนะสวรรค์ในบ้านนะกอัลฮัมดุลิลลาด้วยความเมตตาของอัลลอห์ سبحانه และต้อ ที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนะี่ยพี่น้องอย่านึกว่านี่เป็นความเก่งของเรานะไม่ใช่คนที่เลิกทําความชั่วด้แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีนี่นไม่ใช่ไม่ใช่เราเก่งนะเพราะอัลลอฮฺเนี่ยเมตตาอายะไหนเราเรียนมาแล้วเนะ่นะครับเราเรียนแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่หรือไงเนี่ยวามันตะพิสัยอ้อ ฟาก็จะรอให้มิใครที่ปกป้องตัวเองไม่ทำบาปฟาก็จะรอให้มตนี่อัลล์สอเลนะอัลล์เมตตาคุณอัลล์เมตตาคนคนนั้นเพราะนั้นอย่าอย่าอวดดีว่าฉันเนี่ยเก่งฉันเนี่ยแน่เพราะอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยถ่อมตนตลอดเวลา นะครับถ่มตนนอบนอบ้นอมถ่มตนกับอัลลอฮ์กับมนุษย์อมตามาที่หลังนะครับเลาัมด้วยริละดีน้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราอ่านคุรานเราได้ความรู้นะเราก็พัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นนะไม่จะให้มันเลวลงนะขอให้ดัอาต่ออัลลอฮ์ให้ทุกคนอ่านคุรานนะไม่เป็นอายาเดียว์เรอ่านควรควรจะรู้ความหมายของอัลกุรานคือนบีเนะี่ยเป็นห่วงนะ ถึงได้สั่งในการพิจารคุณอ่านโดให้อ่านคุรานก่อนที่จะนมาให้หาความรู้ก่อนที่จะทําอิบะดานมากับอิบะดาเนี่ยเป็นเป็นความเ ป, เป็นความดีน่อนะแต่อะไรดีกว่าการอ่านคุรานก่อนตีล่าววัตุลคุรานก่อนแล้วก็ตามด้วยซลอนะในสุรรที่ผ่านมาน่ยน่าจะเป็นสุรร อะไรซูมัดอะไรแต่รูฟ้าเต่ดลืมไปแล้วห ล, วลวนะะนะถ้าเราให้อ่านให้เรียนกุรอานก่อนฉะนั้ น, นคนที่มามานมาดที่มสัสยิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสําคัญกับการศึกษาก็เยอะแต่บางคนนะหมาแล้วพุดออกมีไหม <c oughs> ในสมัยนะบีมีอยู่คนหนึ่งสุขินแล้วก็อ่านคุตบ้านอะ่ะพอละหมาจบแล้วเนี่ยรีบกลับบ้าน นบีสังเกต ด, ดูไอ้คนนี้พอสลามจบอันสุขานอลลอละกลับบ้านเลยอ่ะก็เรียกถามมานี่ยทำไมไม่ฟังสอนนี่นบีนั่งสอนอยู่ก็ฟังแล้วแทบเน้นก็กลับก็บกบได้พอฉันมีเสื้อผ้าอยู่ชุเดียวฉันนมาศเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปถอดผ้าชุดนี้ให้ภรรยานมา เห็ยงครับนั่นคือความจนคนจนวันนี้ไม่เอาศาสนาใช่เลยไม่ใช่อ้างว่าความจนไม่เอาศาสนาคนรวยก็อ้างเหมือนกันเพราะรวยอ่ะต้องบริหารเงินเลยไม่ได้มไม่เอาศาสนาลําบากทั้งคู่นั่นแหละลําบากตอนหนาวได้ไหมบาดเดเมาหลังตายนี่เตือนกันเตือนกันไม่เชื่อก็เชิญตางสบาย อัล h a m d u l i l l นรางอาวันนี้มาอายะที่ที่สิบสองสูราไรครับอัลมุมินมุมินแปว่าอะไรผู้ศรัทธาต้องหกข้อนะศรัทธาต้องหกข้ออ ي มา ن ต่อ Allah ที่อามัลลัยกัตีฮิวกุตูบีฮิวรุสูลีฮิวยายุมิลอาครับบิลกัดเร์ดียรีต้องท่องอยู่ในใจนึกเลย إ م ن มุมินต้องหกข้อต้องหกข้อต้องหกข้อ อายาที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีอายาอะไรบ้างนะครับที่อยากจะทบทวนอายาที่แล้วกอลูรบบานาอามัตตาสนาตนีวะอัคยิตาณสนาตันีนี่คนกาแฟเพิ่งไปยอมรับหลังจากตายไปแล้วพฟื้นขึ้นมาจากกูโบรน่เพิ่งมายอมรับบว่าการตายมีสองครั้ง อัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันตายสองครั้งแล้วก็ให้ฉันมีชีวิตอยู่สองครั้งแต่อยู่บนดุนยานี้ลองไปถามว่าตายกี่ครั้งตายครั้งเดียวเกิดกี่ครั้งก็เกิดครั้งเดียววันเกี่ยมามีไหมไม่มีไม่มีไม่ไมีมมมมมมพ่อไปสู่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้คาตอบของเขาแต่พอเฟืองขึ้นมาจริงๆ จ, จ, จากกูโบผู้จะมายอมรับอามัตตานัสนาใจนี่ อัลลอฮ์เนี่ยให้เราเกิดมาให้เราตายเนี่ยสองนี่พูดเรงตายก่อนนะตายก่อนนะอมตะนัสนาตานี้ให้เราตายสองครั้งคําว่าตายสองครั้งเนี่ยตายครั้งแรกตอนที่อยู่ในโลกแห่งวิญญาณเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปจะตายที่ตายครั้งที่สองนะครับแล้วคําว่าอัจยัตะนัสนาตนี่ให้เรามีชีวิตสองครั้ง ตอนนี้มีชีวิตอยู่นี่เขาเรียกว่าครั้งที่หนึ่งกกแล้วก็อีกทีนึงก็ในในวันกิยามะตะอุลมาบางคนอธิบายดีนะตอนฝังเสร็จแล้วพอญาติกี่นองเดินกลับนี่นะวิญญาณเข้าร่างอีกครั้งหนึ่งนี่น่ากลัวมากครับผมอันผมก็กลัวว่าวิญญาณเข้ามาในร่างอีกครั้งหนึ่งในกุบท์แล้วก็นึกภาพมาได้ยังไงอ่ะ อาการไม่มีตางงานของอัลลอ์ทั้งหมดอ่ะอัลลอ์ให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในกุโบไซนาอุมะ ถ, ถามถามท่านนาบีว่าความรู้สึกแบบนั่งนี่เลยหรือบอกใช่ความรู้สึกเหมือนนั่งในมสัสยิดนี่แหละจำได้หมดเลยคนไม่เอาศาสนาก็ตอบฉันไม่รู้จักอัลลอ์ไอคนที่มีศัสนาก็จะพูดว่าอัลลอ์เป็นพระเจ้าของฉัน มูฮัมหมัดเป็นนบีของฉันกุรอานเป็นทางนำของฉันมรลคกาถามว่าคนรู้ได้ยังไงสามรายการนี้ตอบถูกต้องเนี่ยฉันอ่านจากกุรอานครับนี่คือคำตอบของค น, นอยู่นองอยู่ในกูโบฉะนนั้นไม่เรียนนี่นะผิดครับเราจะเสียใจทีหลังนะอายา่าอย่ารอขอกลับมามนชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งมาแะมาแก้ตัว บรรดาเคยให้ใครไหมไม่เคยให้ใครแต่เล่าให้ฟังในการบีกุรนานอย่างนี้เป็นต้นนะครับตูลรองว่าการตายกี่ครั้งสองครั้งเกิดกี่ครั้งสองครั้งนะครับตอนนี้ตายมาแล้วทีหนึ่งอันนี้อยู่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวตายอีกแล้วก็ฟื้นอีกจะมีสองครั้งจะต้องรอกัน อ, อยู่เนี่ยมไม่ทำดีดีเลย วันนี้อายาที่สิบสองนะครับ t h ل ِ ك ُ م ْ بِأَنَّهُ دُونَ اللَّهِ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ و َ إ ِ ي ُ ش ْ ر َ ك ْ ب ِ ه ِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ ا ل ْ ك َ ب ِ ي ر زلكم ب أ ن a h إذا د ع ي َ ه الله وحده إذا د ع ي ا الله وحده كفرتم ويسرك به ت ؤ م ن و ا فالحكم لله العلي الكبير ทำอยู่ลีลาดูศักดิ์ก่อนนะครับาลิกุมนี่แปลว่านั่นเป็นเพราะ า, าลิกุมนั่นเป็นเพราะดิอันนาหูแท้จินพวกเขาดุอันยา่าแปลว่าถูกเชิญหรือว่าถูกถูกวิงวอน เขอร้องอัลลอวะฮดาฮฺอัลล์มีองค์เดียว ذلكم بأنه دعيا الله وحده كفتم แปลว่าสูเจ้าปฏิเสธนั่นเป็นเพราะเมื่อพระนามของอัลลอ์พระองค์เดียวถูกวิงวอน สู่เจ้าก็ปฏิเสธอธิบายยังไงครับอธิบายอย่างนี้เมื่อมีคนมาอธิบายว่าเอารอมีองค์เดียวแล้วก็สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์แล้วสร้างสัตว์เออมีเชื่อนี่ไม่เกินมาเองใช่ไงม ที่เราได้ยินนะ่ะนายเปี่ยกก็ทำต่ออย่างนี้มาตลอดตั้งทุกยุคทุกสมัยดูทั้งถึงวันเกียรมั้ยคนต่อต้านมีมั้ยมีครับใครยิ่งต่อต้านอัลลอฮ์เท่าไหร่นี่นะอัลลอฮ์ให้ให้หลงหลมแบบเพลินด้วยนะเอาเงินไปด้วยเอาผู้หญิงไปด้วยเอาตําแหน่งไปด้วยเอาเกียรติยศไปด้วยเอาไปเลยอะแล้วก็อร่อยเพลิน นี่นะเห็นยังครับฉะ น, น, นั้นยิ่งยิ่งทิ้งอิสลามเนี่ยนะไม่ใช่เงานะทิ้งอิสลามนี่อร่อยอร่อยและอร่อยกระดุนยาอร่อยกระซีซราการเนื้อเงินสอนเกียรติยศตําแหน่งชื่อเสียงแล้วก็ด้อิสลามก็ได้ด้วยใช่ไหมเธอน่ยเที่ยวผู้หญิงก็ได้ครับทําีินาก็ได้หมดแต่นั้นนั้นอลอเตือนทีนึงนะเองอย่าเข้าบารบ่อยนะอย่าทำศีลนานะ โควิดนี่มาครั้งนี้มาเตือนอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยนี่มุหมินต้องนึกตลอดเว ล, ลาคฉะนั้นซาลิ쿰บิอันนัหดูดวงิยัลลอฮุวาฮ์ดะหุกฟัตรตุมนั่นเป็นเพราะเมื่อพระนามของอัลลอฮ์พระองค์เดียวนะถูกวิงวอนสูญเจ้าก็ปฏิเสธมีใครมาพูดมีใครมาอธิบายว่าอัลลอฮ์สร้างนู่นสร้างนี้เอ้ยอย่บ้า คนเน่นีมันเกิดมาเองทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นลเนะอาต่อมากรับวอียูบิบฮตมีนูยูว่าชริกเนะถ้าหากถ้าหากตั้งพระคีกับอัลลอ ถ้ามาพูดเรื่องว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นด้วยในการดูแลโลกใบนี้นะตุมินูเชื่อเลยถ้ามีใครมาพูดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆด้วยคู่กับอัลลอฮ์นี่นะส่วนใหญ่คนจะเชื่อเออใช่ๆชใช่ใชก็ทึ่เมืองไทยเราเนี่ก็เหมือนกันมาเห็นเดอเมื่อก่อนมีน้ำปลาไหลใช่ไห โอ้โหไปขอนางประไลกันวันนี้มีให้เห็นอะไรลนะ่ะตรบนต้นไม้เนี่นะไปหาเลขกันอะไรกันเรื่องชีริกนี่คนจะแห่กันไปเต็มไปหมดเลยนะของก็ขายดีอะไรก็ขายดีนั่นนะอิสลามมองว่าเป็นยะเห็หมดเลยแต่ใครจะพูดได้พอพูดมากอย่าอยายายายความเชื่อของใครของมันานะย่าแตะ ก, กันนะโอเคเราก็อธิบายในมัสยิดนี้แล้วนะ ให้พวกเราได้อิมานต่อเลาฉะนั้นถ้าพูดเรื่องศีลเนี่ยมีอัลลอฮ์มีอัลลอ์ mi, มีไหมอาจจะมีคนอาหรับเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีนะแต่เมืองไทยนี่ไม่เชื่อเลยนะอัลลอฮ์ไม่มีครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเนี่ยตุเมนูพออธิบายตุเมนูสูเจ้านี่นะเชื่อทันที ไอคนที่เชื่อแบบนี้นี่นะที่น้องกับยิ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่สร้างนู่นไม่สร้างนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาเพลินกับเงินเพลินกับชื่อเสียงเพลินกับตําแหน่งเพลินกับผู้หญิงเพลินกับลูกๆที่ไม่เอาศาสนาเนี่อันตรายมากนะครับมันอร่อยอะยิ่งเห็มุสลิมใส่มวกเดินมาสโเรามีคราวอ่าอั น, น้คนล้าหลังยะฮูดีมันก็เป๋าหูอีกพวกก่อการร้ายเห็นไหม ยิ่งถูกกงแกเท่าไร่อิสลามยิ่งจเจริญน่าสงสารเลยนะศาสนาอิสลามเป็นศาสน า, าเดียวที่ถูกตำหนิหรือพูดง่ายๆเนะนี่ยห้ากลุ่มที่เฝ้าทำลายหนึ่งกาเฟรตสองมุชริมสามยะบูดีสีนัสโรนีห้ามุนาฟิกห้ากลุ่มเล่นงานนบีตั้งแต่บรรามากกลมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้หยุดนะ มีผู้ว่าในเมืองบุญจราดในีเดียร์ยืนพูดต่อหน้าคนน่ะพูดเรื่อง อ, อิสลามนละยอยากจะอจียนนะ่ะฉันไม่อยากพูดเรื่อง อ, อิสลามเลยอยากจะอจียนออกมาเป็นอะไรนะเป็น <c oughs> เป็นอะไรนะ่ะเป็นสิ่งสุกปวกกรนออกนะั่นน่ะพอพูดจบนะตายเลยอ่ะบนเวทีอนะ่ะจะสํำนึกตัวกันทั้งเปล่านะ่ะ ไปหาหมอหมอว่าหัวใจลมเหลวมันมีปัญหาก็เอ็มไต่อไปไปสิใช่ไหมนะแต่มุมินผูดสักตาต่ออัลลอฮ์มองว่านี่เป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์สะพานอุบาตานแล้แน่นอนครับอัลลอฮ์เล่นคืออาซาบีสองอย่างนะวันใบวันตัวต่อตัวกับอาซาบอุ้งมุมอู้อิมอวะเดมามาเป็นเป็นปัญจมาเลยไงรอนนี้อาซาบใบวันเลยนะมามามาตลอดเราไม่รู้สึกตัวหรอก ถ้าเรารู้อาจจะนึกถึงอัลลอสุภาโนบาลอาต่มาครับยาทีสิบสามผู้บลลดิยุเรกุมอายาติฮิวายุนัสิลุละกุมินอสส์มายริสกาวะมายาท๊ะดะกุรอิลลามัยยุลีบ หัวหลังทีอยู่ในุณอาญาติว่าอยูนั่ิลุลักุมในสัมมาอิริสควُ إ ِะม่าทะต้องการอื่นไม่ยุนิอัลลอฮฺอัลลอฮ์ขำดีความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺหัวหลังที่หัวแปลว่า เขามื่อคือ Allah. อัลลอฮ์อัลลอฮีผู้ผู้ซึ่งผู้สมนะ น, นะยูรีกุมแสดงให้สู่เจ้าเห็นอัลลอฮ์เนี่นะนี่อัลล์เล่าในคาทีกุรอานเล่าให้นบีฟังเล่าให้พวกเราฟังว่าอัลลอฮ์นี่จะแสดงให้เห็น อยู่รียกุ้มบอกว่าให้สแสดงให้สุ้เจ้าเห็นอะไรครับอาญาติฮีสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ค่อยๆมาครับโลกม่ได้อยู่แค่นี้ยังมีอะไรมาแปลกๆอีกนะครับให้เราเห็นมันมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนักภูติศาสตร์ก็ตาง ม, มันอยู่ตามมันอยู่ตา ม, มาอือแต่นักภูติศาสตร์เนี่ยไม่มีใครนึกถึงอัลลอฮ์นะแต่โคดินนึกถึงอัลลอฮ์ก็รับ伊斯兰ไปหมดแล้ว วรแลวิญ um ูรีกุมอายาติฮีอัลลอ์ผู้ทรงแสดงสัญญาทั้งหลายของพระองค์แก่สูชาตาสำคัญมากนะแสดงว่าโลกใบนี้ไม่ได้อยู่แค่นี้นะยังมีอะไรอื่นๆที่จะต้องตามมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แค่นี้หรอกนะครับเรื่องที่สองวายูนัสดีลุลกุมมินัสมา นัสราแปลว่าเราได้ประทานลงมาประทานลงมาครับลาุ้มแก่สูเจ้าทั้งหลายมีนสมะจากเบื้องบนจากชั้นฟ้าเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังนะบนชั้นฟ้าเนี่ยริสกีเต็มไปหมดนึกไม่ออกถ้าไม่อ่านกุรานนึกไม่ออกอ่ะเอริสกีอยู่ตรงไหนวะ พรอเรามองริสกีแค่เงินใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าในพุทธานอธิบายไม่ใช่อย่างนั้นครับริสกีเป็นทรัพย์สินมีริสกีเป็นความรู้มีริสกีสติปัญญาริสกีคนมีเวลาว่างคนมีโอกาสได้มีโอกาสได้พักพรอมน่เป็นริสกีทั้งหมด คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นริสกีคนที่มีครอบครัวเป็นริสกีคนที่มีลูกเป็นริสกีคนที่มีอีหมานเป็นริสกีคนที่มีความสงบธรรมใจไม่ฟุ้งซ่านคนอื่นเขาเครียดกันหมดแล้วแต่เรานั่งเฉยๆนี่เป็นริสกีอัลลอฮฺบแล้วก็สามารถเดินมามาื่อเสด็จได้เป็นริสกีสามารถนั่งอัลกุรอานได้เป็นริสกีสามารถสวละวาดนาบีมุฮัมมัดได้ในวันศุกร์เป็นริสกี แค่นั้นต้องนึกรีสกีมาจากอัลลอ์ทั้งหมดคนที่กลับเนื้อกอบตัวเป็นคนดีอย่างเคยไมรับอิสลามเจ็ดตเจ็ดเดือนเนี่ยจะเป็นริสกีนะฮัมด้เลยะอัลลอฮ์เล่าในคัรอ่านไม่ให้เราลืมอัลลอ์วายูนัสดิลูลาคุมมินอสมาอิริสกอเห็นไ้มริสกอเนี่ยแปลว่าเครื่องยังชีพอัลลอ์ ได้ทรงประทานให้กับสุชาติจากเบื้องบนจากชั้นฟ้าเป็นริสกีให้ไหมพี่ น, องงน้องเห็นยังครับคนมีสติปัญญานี่มาจากข้างบนทั้งหมดนี่คนที่อ่านคุณอ่านซับเข้าใจอ่ะอัลลอฮฺเห็นอะไรช่องบืห น, น้าเป็นริสกีของคุ ณ, คณอ่ะแต่บางคนที่อ่านอะไรซื่อบื่อมีไหมก็ต้ <c oughs> องขอโทษอัลลอฮฺจะเปิด สติปัญญาของฉันให้เราได้เข้าใจคุณอ่านแบบง่ายๆ่ายด้วยเธอเยอะล้นี่พี่ต้นลูกดือด้อในห้ามด่านะลูกดื้อห้ามดา่าเพราะลูกดื้อเด็กชลานะ่ะขอดู้เอาสินะครับให้ลูกจะเก่งเรียนหนังสือเก่งกระท่องจำํำคุณอ่านให้เป็นนู่นเป็นนี่มันต้องพูดดีหมดเลยเพราะเป็นการขอดู้เอาตอลอดทั้งหมดตกลงว่ารีสกีอยู่ข้างบน ใช่ไหมแล้วเราจะทยอยให้ทยอยให้ทยอยให้ทยอยให้ทยอยใ ห, ยยใ ห, ยยให้กับทุกคนที่ต้องการบางทีอัลลอฮ์ให้เราไม่ได้ขอก็มีนบีสุดนบีมูซาอัลกยสซัลามอัลลอฮ์เล่ามูซาเ อ, อ๋ยคุณที่คุณขอจากฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดนะข อ, อะได้บ้างเห็นให้พูดจะติดอ่างใช่ไ ห, ห้พูดจะคร่องเนี่ยแล้วก็ ขอดุอายตอนเลาะให้น บ, บีน บ, บีน บ, บีฮารูนมาเป็นมาเป็นเลขามาเป็นพี่เลี้ยงอนนะขอช่วยเหลือตะเบ ล, ลอเลาะก็ให้ห้าหกรายการแล้วเาลาะ ก, ก็เลาออู่ว่าขอที่ท่านไม่ได้ขอตั้งเยอะแยะฉันให้อะไรบ้างตอนที่มะคุณทองอ่ะคุณอยู่ในทองมันดาเนี่ยรู้เปล่าทหารฟาโร่เนี่ยเขาจ้องจะจับตัวคุณอยู่ในทองอ่ะฉันปกป้องเขาไว้ คุณไม่ได้ขอสักนิดเนึ่งอ่ะแล้วก็ให้คุณแม่คุณเนี่ยท่องไม่ใหญ่ด้วยแล้วให้คลอดออกมาหลังจากนั้นอีกไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่วันเนี่ยจับคุณน่ะใส่อะไรนะใส่ตะก้าแล้วก็ลอยน้ำคุณไม่ได้ขอนะแล้วให้ตะก้าเนี่ยลอยน้ำไปถึงหน้าพราสาทฟาโรพระยาฟาโรเห็นเห็นตะก้าลอยน้ำมาก็าอยากได้ตะก้า พอเอาตะก้ามาเอาหีบมาเปิดดูเจอคุณนอนอยู่ในอยู่ในหีบพระยาฟาโรชอบคุณนั่นคุณไม่ได้ขอบฉันให้อะเห็นอย่าง ร, รับเฉะนั้นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับทั้งหมดนี้อัลลอ์เมตตาเรานะฮะให้เราให้อร า, ราโนนให้นี้แต่บางคนอัลลอ์ให้ตั้งเยอะแต่ไม่ได้ขอบคุณอัลลอ์ก็มีมีหมระวังไม่ดีนะครับ วายุนัสเดลุลักุมมินัสสามารถอิริสกและไเด็กสงประทานลงมาให้กับสูเจ้านะ่ะมินัสสจากชั้นฟ้า r i สกอเป็นริสกีเป็นเครื่องอย่างชีพไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับสติปัญญาสมองทั้งหมดที่เรา ท, ที่เราครอบครองอยู่เนรถสักคันหนึ่งที่ได้มาไม่จะจักรยายนี่ป็นริสกีของ Allah ความนอบน้อมถ่อมตนก็เป็นริสกีของเราแต่กับบุดเยอะยิ่งมันไม่จะมากาะรอำมันจะใช้ตอนถ้ายิบผิดนะเอามาใช้นะ่นก็เจอใช้ตอนถ้ายิบถูกก็มีรางวัลต่อ ก, กันล็อกสุภาณูวาตาดาพี่นอ้องอีวักสุธาก่อนอ q u r า n วายาตะจักการุอิลลามาย่นีเบ ว่ามายา ต, ติ zakkaru อิลลามัยอยู่นียญติ zakkar แว่าใครครวนใช้สติปัญญามาแปว่าไม่ไม่มีผู้ใดใครครวนไม่มีผู้ใดนึกเรื่องอย่างนี้ไมันไม่เคยนึกหรอกอิลลามัยูนี้นอกจากคนที่หันหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ ถ้าลืมอัลลอ์นะนึกอะไรไม่ออกหรอกครับนึกได้แค่สี่เรื่องอะไรไดาวถูกไหมนึกเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งนอกจากนี้นึกไม่ออกเนี่ยเราเล่าเองนะท่า น, นคนที่จะนึกริสกีที่มาจากชันฟาเยอะแยะไปหมดนั่นนอกจากคนที่หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาเท่านั้นรู้ไหม ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นภาษาอุรดูมีคนถามท่านนาบววลีรยาฮซูลลลอฮฺวาดัชฮลัลนูรอิมฟสสัสขัซอดด์ซาดเวลานรีิมานข้าไปอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจจะเปิดอ่ะอธิบายยังไงมีอลลมัดยังไงหัวใจเปิดใครที่มีอิมานนะสแสวงหาอิมานนะ วจัยอัลลอฮ์จะเปิดให้น บ, บีธอธิบายมีอยู่สามเรื่องนี่งตกักอธิบายเขาว่าเนี่ยว่ามายาตาซักรออิลละไม่ยูนี่ไม่มีใครนะครับที่จะไต่ตองหรือไข้ควรหรือคิดนอกจากคนที่หันหน้าเขา้าาอัลลอฮ์ถึงจะคิดอะไรออกถ้าหันหลังให้นะคิดแค่4ี่เรื่องเท่านั้นแหละเงินชื่อเสียงเกียรติยศตาแหน่งกับผู้หญิง จะนอนกับใครดีคืนนี้ต้องเลือกดาราดาราตกัตกตัวอย่างมันมีใช่ไหมที่เราเห็นกันอยู่ไม่ต้องอธิบายนี้เข้าใจนะทีนี้นบีบอกว่าคนถ้าอาลัลลอ์เปิดใใหัวใจเขาจะมีสามอย่างหนึ่งเขาจะไม่หลงดุนยาเยอะดุนยาเอาไหมเอาครับแต่ไม่เอาเยอะเอาแค่นี้พอแล้วครับ ดูยาเอาไหมเอาเอาบ้านเอาเมียเอาลูกเอารถเอาที่ดินแต่เอาพออยู่ได้ไม่ลงเยอะเงินอ่อรอวันสองสาร้อยพอแล้วหรือ500ห้ารอยทำเมีแ ล, ล, ล้วถ้ามีมากก็ดีจะจ่ายถ้จ่ายจะจ่ายสะกาศจ่า ย, ยส่กกยสนเก็เรื่องที่สองครับอัลอีนาบะอิลาดาริลุลุกับเนื้อกับตัวคือ ม, มุ่งอาคิรอามากกว่ามุ่งโลกดุนยานั่นคนที่มีหัวใจอีหมาน กลับไปหาอัลลอฮ์หัวใจนึกถึงอาคีรอนึกถึงความตายนึกถึงการลงโทษที่กูโบนึกถึงต้องฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพต้องไปยืนอยู่ตานตอนหน้าอัลลอ์อัลลอ์ลจะถามนู่นถามนี่นึกถึงเรื่องเหล่านั้นแหละนั่ น, น, นคือคนที่หัวใจในในหัวใจของเขามีอีมาเรื่องที่สามอิสตยาดลิลเม้าตุกอบลันูซูลเตรียมตัวตายก่อนที่ความตายต จะมาเยี่ยมเขาเตรียมตัวตายอธิบายยังไงบางคนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเตรียมตังเอาไว้แจกส5ห้าแสนมะสั่งเอาไว้ 4, 500, สังส่งพิษข้าง่าอิสยดาดดินมา ท, ที่านาบีสอนเนี่ยเตรียมน้ำมานเตรียมสะเบียง นามาจะให้ขา่อ่านกัมภอ่านสม่ำเสมอบริจาคสม่ำเสมอยึดรุลนล่อสม่ำเสมอขอดูอาสม่ำเสมอทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านกับญาติพี่น้องเลิกให้หมดหันมาคุยกันทักทายกันยิ้มกันให้สลามกันส่งอาหารให้ ก, กันแล้วก็ให้อาภาัยกับคนที่ด่าเรานั่นก็เรียกว่าอิสตรดาลินเมาทพร้อมที่จะกลับตายวันนี้พร้อมไม่พร้อมครับ ถ้าไปหาไปถามคนที่เนีเอาศาสนาบอกพร้อมตายครับยังครับยังครับรออีหน่อยรออีหน่อยเห็นไหมฉะนั้นพร้อมเตรียมตัวตายทางที่ความตายยังไม่มาแต่เตรียมตัวไว้ก่อนนั่นแหละคือว่าคนที่มีอีมัลจะขวัญละอลาสูดูรีเฟซสูดูหรืออมานเข้าไปอยู่ในใจของคุณแล้วทำได้เลยเหรอตกลงยูสามรายการนะถ้าอีมานเข้าไปอยู่ในหัวอกหนึ่ง ไม่หลงโลกดุนยาสองนึกแต่โลกอาคีรพเยอะอันที่สามเตรียมตัวเพื่อความตายไม่ใช่เตรียมตังเตรียมเงินเตรียมลงเตือนจะชนคนสุราเก็มัสยิดเข้าสุราไม่ใช่จะนับอย่าไปนั่นนั่นกระจายผิดหมดเลยนะเพราะว่าตัวครูก็สอนก็นมีว่าเชิญสุราฉันด้วยนะยี่สิบแต่นี่เป็นต้นเอาแต่แค่นี้พอครับ ในฟัตฮุลกิตอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ส่งช้นฟ้าจากช้นฟ้านจากข้างบนนี่นะส่งน้ำมาทําให้บรารักัศในชีวิตเต็มไปหมดนะพอพูดถึงน้ำก็ฝนตกนะพี่น้องต้องสังเกต ด, ด้วยนะต้นไม้ต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านเราถ้าเราเป็นคนดี ออลจะให้ครอบครัวนี้มีบราระกาศนะวันลาฝนจะไม่ตกมาทําลายขณะที่กําลังออกช่ออยู่ใช่ไหมนะฝนจะไม่ตกถ้าหากว่าต้องการที่จะให้บารากาศในบ้านนี้ไม่มีจะให้ฝนตกลงมาแล้วก็ช่อลนะ่วงหมดเลยผลไม้ไม่ติดมะม่วงบ้านนี้ไม่ติดออลโกรธบ้านนี้เนี่เรื่องอย่างนี้ตรงที่้องไม่ได้คิดไนงะ แต่ใครสอนให้คิดน บ, บีสอนให้คิดฉะนั้นพยายามสังเกตดูบ้านเราเนี่ยอลัลลอฮ์รักรลูกฟ่าถ้าอาลัลลอฮ์รักเรานะเสียงเพลงจะไม่มีเสียงดนตรีจะไม่มีเสียงด่า ก, กันในครอบครัวไม่มีอิจาริสยาจะค่อยๆลดหายไปแต่ถ้าหากว่ามีไม่มีบรรยากาศนะจะตามมาเต็มเลยนะในครอบครัวนั่นแหละ อย่าพี่น้องกันไม่มองหน้ากันด่ากันอิจฉากันพิษยากันนั่นคือความหายาหนะ้ามันต้องสังเกตเราจึงเรียนศาสนาเราต้องสังเกงตเยอะนะนะเอาต่อมาครับข้อที่เท่าไรต่อมาครับข้อที่สิบสี่อายะที่สิบสี่ฟาดอัลลอฮมุคลิสีนลาฮุดดี w a l a u karihal kafirun, Allah Allah, Allah k -kan, a h a n g k i l Quran di makam. f a d a u l i l l a h mukhlasin ala Hudin, w a l a u karihal kafirun, Allah Allah. Alhamdulillah. Ayat niat teren, nak. Waktu kau doa ni, nak. ทุกคนต้องขออาเพราะขอการขอดอาเป็นอิบาตัดะอัลวาดะมุคลัยบาดะการขอดอาเป็นสมองเป็นมันสมองของของอิบาตัดะทุกรายการฉะนั้นต้องขอดอาต่อลอดต้องขอทุกอย่างเอาอิสลามนำหน้านะเอาอิสลามนำหน้ า, ยาอาย่าเอาวัดอย่าเอาวัดอย่างอื่นนำหน้าเอาอิสลามนำหน้าอย่างนบีนวะนี่เคยขอดอาอย่างนี้เอาอิสลามนำหน้านะโอ้ Allah ถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำลายคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์เนี่ยคนทรยศจะเป็นเชื้อทำให้คนดีอีกหลายคนนั่นเสียตัวเพราะคนคนนี้คนดีๆหลายคนที่อยู่ในศาสนาจะทิ้งศาสนาเพราะคนคนนี้นบีเห็นอ่ะอธิบายบอกโอ้ ไอคนนี้พูดอะไรคำสองคาคนตามมันหมดเลยอ่ะน บ, บีมันก็ขอดูอาอย่าเอารถทำลายคนกาเฟตี่เถอะถ้าปล่อยคนกาเฟตไว้น่ะจะดึงคนดีๆเนี่ยคนที่อีหมาเพราะคนที่มีอีหมานมันสับสนอ่ะอ่อนบ้างแข็งบ้างอะไรบ้างใช่ไหม ก, ก็จะเดินตามเขาเอารถรับดูอาของน บ, บีนี่อันนี้เป็นตัวแล้วก็เอารถทําลายใครได้หนะให้น้ํา นำทั่วมาตายหมดเลยนั่งอะ่ะพ่อหนาบีหนบีอะไรนะั่นนบีนัวขอขอดูอาเอาไปทำลายคนชั่วอันนี้เป็นตัวแต่นาบีมุฮัมมัดไม่เคยขอดูอาทำลายคนชั่วเปิดโอกาสในหะ้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวอ่ะให้มาเรียนศาสนาจึงตะดาาักว่างานเลอกไม่ได้งานเชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าไปมอบให้มุตตฟาอามานดาวา่าไปละเอ็มทาอะไรอะ่ะช่วยกันสิ ช่วยกันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์สุฮาหนาอูวาตาละอย่าไปหวังเงินหวังทองหวังชื่อเสียงไม่เอาหวังความรางวัลตอบแทนของอัลลอฮ์สุฮาหนาอูวาตาละฟาดอัลลอฮดังนั้นจงวิงวอนต่ออัลลอฮ์อย่าไปวิงวอนขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้นะนี่รวมไปถึงแต่งงานลูกเราเนี่ย ไปหาหมอดูหมอดูดูเลิกดูยามก็ไม่ได้อย่าไปไปเนาะกไปหาตัวอีวามอสิเยต์เห็นจะแต่งงานลูกฉันน่ะจะแต่งตัวสุเรากี่โมงดีมาว่างวันไหนอ่ะมันต้องอย่างนี้อ่ะหลังน้ํามามันสุกมีอาหารเลี้ยงเป่าถ้าไม่มีก็หลังน้ำมันมักริบถ้ารวยหน่อยก็หลังมัสุกก็บริจาคกันเลี้ยงอาหารกันมันต้องปรึกษาคนเหล่านี้ไม่ใช่ปรึกษาหมอดู คืออัลลอฮฺให้ให้เห็นหมดแหละทางหมอดูทางอิหมามทางอาเรียมอุลามะอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วเราจะเลือกอะไรแล้วก็ต้องเลือกอาเรีมอุลามะถามก็อุลามะก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มแอนตี้ซูน่ามีไหมมีครับแล้วเจริญด้วยเนี่ยพวกตามเยอะคนที่สนใจซุ น, น่าก็เออไ อ, อ, อ, อ้นี่พวกไหนว่ากันปะนะประตูตำหนิประตูดาไม่มีปัญหาอัลลอฮฺทดสอบหัวใจหมดทัอัลลอฮฺทดสอบ ความสบายและความลำบากเป็นการทดสอบทั้งหมดนะแล้วเราจะดูเราจะให้คะแนนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนะดอัลลอฮ์มุคลิสีนดังนั้นจงวิงวอนต่ออัลลอฮ์มุคลิสีนด้วยความบริสุทธิ์ใจดุอาตอนไหนหรู้ตอนให้สลามเสร็จแล้ว หลังจาก سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ก ا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ส่วนใหญ่ว่าใจรอใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่ามาตั้งกี่ปีแล้วนะสามสบปีบางคนก็เจ็ดสิปี อ่นดวงอาบทนี้แบบไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยมีไหมมีครับว่าเพราะความจําว่าเพราะติดเป็นนิสัยไม่ได้ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจตามนั้นนะในคนที่ดวอ้าเก่งๆงี้มาตาลอยงี้ว่บาบ้นะที่นอใจไม่ได้นึกถึง Allah อัลลอฮ์น่ะไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยเสียงกูเพอเปล่าฮะ เสียงกูนี่เพราะเปล่าวะคนจะได้ อ, อ๋อมันนึกอะไรนึกดุญยาหมดเลยอะเพราะฉะนั้นนี่เราสั่งนะฟาดาอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์มุคลิสีนะด้วยความบริสุทธิ์ใจละฮุดดีนเป็นการ พักดีต่อเราเป็นศาสนาเลยนะ่ะถือเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญมากใจต้องลอยไม่ได้ครับคนมามาใจลอยอัลลอฮ์ไม่รับคนที่ขออุมาใจลอยอัลลอฮ์ก็ไม่รับือกันนี้เตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกคนที่ตําหนี้อุมามีเปล่ามีครับในสุรานี้แหละสุร่าอัลมุมินนี่แหละอยายะที่ยี่สิบหกนวดลองเช็คดูสิยี่สบหก อยู่ในนี้อีกอทิตาน์หน้า่าจะถึงนะเราะ่ยีสิบกว่กาพอละฟิรอนีมะจารุนีอักตุลมูซาวยาจาอับาฮูเอาครึ่งเดียวพอฟิรอนกล่าวว่าจารูนีปล่อยฉันคนเดียวอักตุลโมซาฉันจะฆ่ามูซา วัลยติจะเอารอบบาปล่อยให้เขานั่งขอดุทอศตอประพูอัยบัยของเขาไปเถอะต้องการจะบอกว่าดุอิศมีอะไรนี่ดูถูก ด, ดุทาศใครครับฟาโรครับนายาที่ยิบหองเปิดต้องเช็คด้วยสิจอเจอวกอลฟิราลซารูนีอักุตุลมูซา พื่อนโอพูดว่าเนี่ยอัลลอฮ์เอาคำพูดของ ก, กษัตริย์ฟาโรห์เป็นคำพูดที่สักกปรกที่สุดเอาใจว่านากักพิคอานให้มุสลิมได้นนอ่านกาูอานได้นึกอย่าดูถูกดูอาอย่าตำหนิดุอาคนที่ตำหนิดุอามีไหมมีหนเราให้ฟังแล้วพูดว่าไงนะอักตุลมูซาฉันจะฆ่ามูซาฆ่าได้ปะไม่ได้เห็นหแล้วก็ต่อมาครับวยายยดเรา ปล่อยให้น บ, บีมูซาเนี่ยข อ, อารบบาอูผู้อัยบาลของเขานี่เการดูถูกดูอางยังเาลาไม่พอใจเอาเล่าให้ฟังเอาต่อมาครับวลาวการิฮัลกาฟิรูนแม้พวกปฏิเสธจะชิงชังอันนี้ยงฟาโรชิงชังดูอาใช่ไหมเจอไหมเจอครับ ใครตายก่อนระหว่างนาบีมูซากักับฟาร่ฟาโร่ตายก่อนตายในน้ํำแล้วนบีมูซาเห็นน่ะพี่น้องอย่าลืมนะการลงโทษของอัลลอฮ์ลักหลังนบีกับอยู่ต่อห น, น้านบีไม่เหมือนกันครับใครที่ถูกลงโทษแล้วนบียืนมองอยู่นะโอ้โหนั่นเป็นการลงโทษที่ต่ําช้าที่สุดอัลลอฮ์เกลียดสุด แต่เป็นบาปอัลลอฮฺเข้าไหมครับในเราเนี่นบีตายไปหมดแล้วมุก้าตุบมมาเสียชีวิตแล้วถ้าอัลลอฮฺจะลงโทษเราหลังนบี ม, มุฮัมมัดอัลลอฮฺนบีไม่เห็นเราก็แต่ต้องนึกนะ <S <S 1> <S 1> เห็นกับไม่เห็นนี่การทรมานต่างกันแต่นี่เป็นตัวนี้เป็นเรื่องชีวิตของเราหมดเลยนะวาเลูกาดิฮัลกาฟิรูนถือว่าคนกาเฟจะชิงชามก็แต่ฉานั้นถ้านามาทั้งหมด สรุปนะเป็นการขอด้อาอนหมดเลยถ้านมาสท่ายืนท่ารูกัวถ้าสุญูดถ้านั่งอัตไหยาต้องขอด้อาอนด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะได้มาต้องรู้ความหมายด้วยมีคลิปออกมาเยอะทางภาษาอังกฤษเยอะอยังประโยหญิงผู้ชายพูดเรื่องเมื่อเรื่องความความบริสุทธิ์ใจได้อย่างไง ได้ด้วยความหัวใจจะสงบได้ดยการรู้ความหมายของดุวอที่เราอ่านรู้ความหมายในตัวอาจะยกมือขึ้นหรือไม่ยกก็ได้อันนี้อย่างน้มาเนี่ยไม่ได้ยกเลยนะรบดึฟิลีต้องนึกนแปลว่าอะไรนะอัลลอฮฺมารับบันนะบิฮัมดิกอ um um ัลลอฮฺมักฟิลลีแปลว่าอะไร อตถอยัยาตุลลนี่แปลว่าอะไรอัสสลามาลาอิกะอยุฮันนบิยุนนี่แปลว่าอะไรอั ล, ลมะสอลาะมะมแลว่าอะไร น, นึพอ น, นึกถึงความหมายแล้วใจมันจะจดจอ่อกับอัลลอสุบฮานะฮูบะตาลาแล้วก็รางวัลเยอะมากครับอาต่อมาครับ นบียสั่งบอกสละอตยัลลอฮอนดุดบว่าอันนบีลตัลละสลัมกอดอลล่ฮะตบารกวตอลวอันตุมมูกีนูนบอิาบะนี่อัลล์สั่งนบีสั่งบอกว่าท่านทั้งหลายจงขอุอตอัลลอ์ในขณะที่ท่านนี่นะมั่นใจว่าอัลลอ์รับนะมูกีนูนบอิาบะมั่นใจว่าอัลลอ์รับอย่าไปนึกว่า รับไม่รับตาใจอัลลอฮ์ไม่ใช่ม e> ั่นใจในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงรับดุอานะครับว่าละมูอันอัลลอฮะลายสตาจีบดุอากอลบินลาหินแท้จงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอาของเบาวที่ขอแล้วใจลอยกอลบินลาหินเพระว่าใจลอยขอตามประเพณีปฏิบัติ ขอด้วยความเคยชินเลยไม่รู้ว่าที่ขอเนี่ขอเรื่องอะไรแล้วขออะไรนี่สอนยังสอนแล้วนะเอาต่อมากับอายติสิบห้าพระวีณาญาณโดดราจน์ดูลอารยิยุลกิรูห์มินอัมริฮิอัลาลมัยยะชา م ن عبادي ل ي ن زراؤه م ت ل ا ق رفيع درجات ذو العرش يلقِ ا ل ر ح م ن أمره على م ن يشاء م ن عبادي ل ي ن زراؤه م ت ل ا ق ลฮัมดูลีเรานี่พูดกันมาตั้งนานแล้วนะบอกว่าอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเลยนะใครจะสูงใครจะต่ำใครจะมีอำนาจถูกลดอำนาจอะไรก็ตามแต่เนี่ยใครจะอัลลอฮ์ในอายาณีรอฟิเออดาร์ลาจาโรฟิเอแปลว่าทำให้สูงหรือว่าเทิดให้สูงยกให้สูง อัดดตตาญาตวัดตำแหน่งหลายชั้นตำแหน่งหลายชั้นทั้งดุญยาและอาคีรอ <c oughs> เรานี่นะบางครั้งัะเอาะราทดสอบนะให้คนตำาหน่เรามีไห ม, มบางทีเราก็ให้คนมาชมเรามีไหมมต้องนึก อ, อนี้มาจาอรรรเราทำอะไรผิดหรือเปล่า ผมคุยกับมานามาราสหลายครั้งคุยว่าคนคนหนึ่งเรียนหนังสือไม่เก่งมันอ่านมาราสมอหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งผมอ่านประจํานะเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ชีวิตก้าวหน้าอีกคนหนึ่งเรียนหนังสือเก่งแต่ชีวิตไม่ก้าวหน้าในชีวิต เพราะอะไรถามมารณบุฮคสันมานณก็ตอบแล้ ว, ว่ามีอยู่สามสี่สาเหตุสาเหตุที่หนึ่งลูกที่เรียนหนังสือไม่เก่งแต่ก้าวหน้าในชีวิตเพราะพ่ อ, พอแม่เขาขอดูอาไว้เห็นยังพ่อแม่นี่สสำคัญที่สุดนะพ่อแม่เขาขอดูอาจากอลัลลอฮนะ์น่ะ อลก็ยกครับทิลเราโนยเรื่องที่สองลูกคนนี้ไม่เคยดูถูกคนแม้แต่ครูสอนอัลกุรอานเขาเมื่อสมัยตอนเด็กๆวันนี้เขาใหญ่แล้วเนี่ยดังแล้วเนี่ยอาจจะมองเลยตัวครูสอนกุรอานก็ได้มีไหมมีครับติดเตือนเอาไว้อย่า RESPECT ให้เกียรติแม้แต่ครูสอนอัลกุรอานอัลลอจะให้ ชีวิตก้าวหนะ้าเรื่องที่สามเลือกของพาราลกินบริโภคอยา ก, กินของขารอมเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้านี่นะพยายามใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับตักวาตอลอออกหาเจาคุณชั่วชั่วมีไหมล้ว เ, เคยทำมากล้ด่าคนก็มีด่าพ่อแม่ก็มีเลิกหมดแล้วพยายามเลีกเลีกเลีกเอาเราจะยกคุณถึงจะ เรียนหนังสือไม่เก่งไม่มีอนาคตในชีวิตก็ตามเถอเอล่อจะยกแต่คนที่มีเรียนหนังสือเก่งอะไรเก่งไม่ก้าหนะ้าก็เพราะประเภทนี้ไงดูถูกคนเหยียดหยามคนพ่อแม่ไม่เค ย, ยขอดนุญาให้อะ <c oughs> เรื่องใหญ่นะ <c oughs> จากนั้นนอนนอนถอนถตอนดีได้ไม่ดีอา้าวร้อนห้ามด้ลินลอร์นี่ไงรอฟีเอาดัรเจอัลลเป็นผู้ทรงเทิด คนดีตัวใสตตรสคยคนสซลียนะคนดีให้สูงสมหลายขั้นคนดีคนค น, คนทำงานศาสนาอะไกันบางคนหายขึ้นอยู่พักหนึ่งอย่างกน้ำน้ขึ้นอ่ะเก็หายหมดเลยเพราะอะไรก็เพราะอักลาดเพราะนิสัยอ่ะนิสัยไม่ดีอันนี้เป็นต้นนะแต่แค่นี้พอนะเอาต่อมาครับสิฟัต ท, ที่สองของอัลลอฮฺดลมาอัลชี อัลล์เป็นเจ้าของบัลลังไม่ใช่อัลลอ์อยู่บนบัลลังอะไรันแ่อะไรนะอัลลอ์เป็นเจ้าของบัลลังอัลล์สร้างบัลลังขอหลัง ah. เป็นเจ้าของบัลลังดูแลทั้งหมดเนี่ยนะเรื่องที่สมยุลติรูฮามินอัมริฮิรามัยะษายุลติบัตรทรงประทานทรงมอบอรุ์รูท้ทีนี้แปลว่าวิญญาณ แต่ตรงนี้แปลว่าวะฮีท่านต้อ ง, ตงนึกนะวะฮีนะวะฮีหมายถึง Revelation เนี่ยหมายถึงการโดนใจของอัลลอฮ์ให้ยิบรีมหาท่านนาบีมาโดนใจนะนี่ไงเรียกว่ารีวิลนะครับรีเวลเลชันวะฮีอัลลอฮ์ได้ประทานวะฮีมินอัมริฮีจากพระบัญชาของพระองค์อาดามยาชาแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ จะให้ใครก็ได้แต่อลัลลอฮ์เลือกแล้วเห็นไหมอย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นครอบครัวที่ตระกูลดังแต่ครอบครัวจนทํำไมเลือกนบีล่ะก็อัลลอฮ์เลือกค่ะคาลเลือ ก, เ ล, อกเลือกของอลัลลอฮ์กับซีหูดีมันตั้งประชาธิปไตยนะเอาคะแนนเนี่ยมาซื้อได้นะ่ะแต่ของอลัลลอฮ์นี่หมดสิทธ์อย่างนี้เป็นต้นมินไนบาดีจากเบาของพระองค์นี่ซิฟัตอลัลลอฮ์มีอยู่หนึ ราเรอุดมระยัดยกย่องคนดีให้สูงส่งอัลลมาฺอธิบายไป ว, ว่ายกย่องคนดีหมายถึงยกย่องคนซอลแลให้สูงส่งยกย่องบรรดานาบีและเอาลียาคนดีทั้งหลายมุมลินทั้งหลายคนซอลแลทั้งหลายให้สูงส่วนนัวันเตียมะให้อยู่ในสวนสวรรค์ น, นั่นในอาคีรอบนดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺก็ยกแต่ถ้าอัครากไม่ดีรออะไร ดึงต่ำลงมาไม่รู้สึกตัวเอก mm hmm. ด่าก็ไม่ดินด่ากูนี่จะด่าก็ทำไมอ่ะเราทำตัวไม่ดีเองแต่ ล, ลืมจับผิดคนอื่นแทนที่จะมองดูตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอต่อมาครับเรื่องที่สองอลัลลอเป็นเจ้าของบัลลังเรื่องที่สามอาลัลลอจะประทานวาฮีวาให้มาึงความรู้วาฮีนี่สำคัญมากนะถ้าวาฮีไม่มานะโลกใบนี้ หมดแล้ววันนี้ที่เราอยู่ได้เพราะอุบายผ่านนบีมาไัมใช่หรือไม่ใช่ความรู้ผ่านนบีนักอ่านจะมีทั้งเล่มเนี่ยความรู้ที่ผ่านวีให้มีชีวิตชีวาทําให้เราได้มีอีวานมีตักวามียากตีนมียาซามีอิคลาเพราะคำเภีย์กุรอานเล่มนี้ทําให้เรามีชีวิตชีวาถ้าไม่มีกุรอานเล่มนี้รก็แบบกาเฟนอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่มีบริกัร อันนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับลิยุนซีรอนาบีม า, มาอะไรมาเตือนอินราจะวัดเตือนนะเยาวมาตลาวันที่จต้องพบปะกันมาถึงวันอาคือราแสดงว่าวันอาคือรอมีไหมมีจริงครับอายานี้มีหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งอลัลลอ์เทศคนสอนและให้สูงส่งสอนอลัลลอ์เป็นเจ้าของบัลลังสามอาลัลลอ์ให้ความรู้ เขาเรียกว่าวะฮีเนี่ยผ่านนาบีให้นบีมาสอนเรานี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ข้อที่สีวันกิยามะมีจริงพิสูจน์ไม่ได้ด้วยพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ฝนตกลงมาให้น้ำอะไรนะให้ให้แผ่นดินฟื้นขึ้นมานี่ไงเอาต่อมาครับอะยะสุดท้ายยุลกิรุไม่ใช่ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القاهر يومهم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك لمن الملك اليوم لله الواحد ا ل ق ه ا ر يومهم بارز و ن เนี um galaxies, player, beach, ่ยร้องเล่าให้ฟังเราพยายามดีฟังให้จีบรีมาสอนนะผู้ทรงพิชิต ผู้ทรงอะไรนะให้ปรากฏออกมาบาริส์อว่าให้ให้อะไรนะให้ปรากฏออกมาออกมาจากไหนหรู้เปล่าออกมาจากหลุมฝังศพยัครูยูนะมิ่กูบูริหิมบาริซูนี่แปลว่านะให้ปรากฏออกมาให้ออกมาจากหลุมฝังศพนี่เป็นเรื่องจริงคนทุกคนต้องตาย หลายคนตายว่าตายเลยจะมาไม่ฟืน้นแต่นี่อธิบายและตายแล้วต้องฟื้นนี่เป็นเรื่องจริงครับนี่อีมานนะอีมานข้อที่สองพอฟื้นแล้วนะลายักฟาอัลลอฮ์ลาไปว่าไม่มียักฟาปไปว่าซ่อนเล่นอัลลอฮ์ให้ไปจากอัลลอฮ์มินหุ้มของพวกเขาใช้อุ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเล็กๆน้อยๆก็หลบออกจากนี้ออกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ วันนั้นต้นไม้ไม่มีครับพอฟื้นขึ้นมาต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีบ้านไม่มีอาคารไม่มีไม่มีแล้วมีแต่แผ่นดินโล่งๆเลยเนี่ยเราล่าให้ฟังนะพอฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพเนี่ยนะภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีบ้านไม่มีอาคารไม่มีไม่มีอะไรเลยแผ่นดินเตียนหมดเลยโล่งหมดเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นไปจาก ความรับของอลัอลอลอฮฺอัลลอฮให้เห็นหมดเลยนะครับลิมานิลมุลกอลัลลอฮฺจะถามให้มลัลกลกาถามว่าคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีใครที่เป็นกษัตริย์ประเทศนั่นประเทศนี้ใครที่มีตำแหน่งใหญ่ๆ ใ, ในโลกนี้เคยคุยโอวดว่าฉันนี่เป็นเจ้าพ่ อ, อขอแต่รสชายนี่ รวยที่สุดในโลกใช่ไหมตระกูลยิวนะวันนี้มันพูดนะฉั น, นรวยที่สุดในโลกคุมประเทศนั้นประเทศนี้รถกจะถามเอาขึ้นมาที่ใหญ่ๆ ใ, ในดุนยานะ่ะอยู่ไหนสแสดงตัวหน่อยลิมานิลมุลกูออำนาจเป็นของผู้ใดเอา้าใครที่เคยใหญ่ๆ่ในอดีตขึ้นเนชิญเห็นไหม อันยามวันนี้มาถึงวันวันวันเกี่ยมาไม่มีใครโผ่หน้าสักคนนั่งจำโหดหมดเลยอ่ะวันนี้ชูคอกันนะไอ้ชูคอเพราะอัลลอฮฺไม่มีปัญหาไอ้ชูคอเพราะเงินชูคอเพราะเกียรติยศเพราะตำแหน่งเพราะคนตำลังหน้าเพราะหลอกชาวบ้านเขาน่ะเองอยู่ได้อย่างเงี้ยพอยู่ป้ายไม่มีปัญหาแต่วันหนึ่งเราพอจะทุกคนจะรู้เองอ่ะอ๋อไอ้ตระกูลนี้เลยเหรอมาหลอกชาวบ้านอ่ะวันหนึ่งอัลลอฮฺจะให้เห็นหมด แต่เราจะถามในวันเกีมาคนที่เคยดงในโลกดนยาแลวไม่เอาอิสลามน่โผล่หน้ามาสิใครใหญ่อย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับลิลลาฮิลลอฮิเดลกฮะเป็นของอัลลอฮ์ลิลลาฮบกเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นของใครเป็นเจ้าของปลอมๆเอาบ้านไปหนึ่งหลังของปลอมรถไปห้าคันของปลอม ให้ชั่วข่าวให้เพื่อทดสอบหัวใจตนนั้นเองลิลเล่เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลวะฮิตอัลลอฮ์มีกี่องค์องค์เดียวครับแอลกอฮอล์ทรงสมพิชิตอย่างเด็ดขาดชนะทุกรายการเลยอัลลอ์เล่าอกว่าฉันจะชนะบรรดานาบีของฉันทั้งโลกจะชนะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะชนะหมด แต่วันนี้ถูกเหยียดหยามถูกรังแกถูกนูนถูกอดทนนะอย่าไปเครียดเพราะนี่มันเป็นสูตรที่เราวางไว้ถูกรังแกเท่าไหร่เราก็อิสลามวันเล่ากะรดีัลกาฟิรุนคนกาเฟ่จะชิงชังแค่ไหนก็ตามเราต้องอดทนสมัสดอดทนตลอดเวล า, าหมดอุตส่าห์แยกสบเไปไปไม่ไหวแล้วล่ะ سبحان الله أ م ب ح ل ك ش ل ا إله إلا أ ن أستغفرك و ت و ب ل ي ك